แนะนำบทกอรฟิดบทกอรฟิดเป็นบทมักิยามีแปดสิบห้าองค์การบทนี้เริ่มด้วยการสรูดีคุณลักษณะอันดีงามของอัลลอ์และสัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และได้เผยหเห็นถึงการโต้เถียงของพวกปฏิเสธศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์ทั้งๆที่ศสัจธรรมนั้นได้ปรากฏอย่างชัดแจ้งแก่พวกเขาแล้วขณะนั้นก็ดีนักโต้เถียง และบรรดาผู้ยะโสก็ยังโต้เถียงและแสดงอาการดิ่งยะโสอยู่บทได้เผยเห็นถึงจุดจบของประชาชาติในอดีตซึ่งอเละร์ได้ทำลายล้างพวกเขาด้วยเดชานุภาพของพระองค์โดยไม่มีมนุษย์คนใดออรอดพ้นไปได้ท่ามกลางบรรยากาศที่น่ากลัวนี้ก็ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ของมาลิกะ ผู้แบกบอลลังในการวิงวอนขอของพวกเขาแก่ผู้ที่ยำเกรงและกลับเนื้อกลับตัวบทได้กล่าวถึงภาพลักษณ์แห่งวันอาคิระ์และความน่ากลัวของวันนั้นโดยที่ปวงบ่าวจะถูกมายืนต่อหน้าพระผู้ทรงอำนาจเพื่อการสอบสวนความหวาดกลัวและความสะทกสะท้านได้ปกคลุมพวกเขา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 ที่มาจากวงวานของเฟร์เอลซึ่งซ่อนการศรัทธาของเขายอมสารภาพต่อสัจธรรมด้วยความนอบน้อมและระมรัดระวังแล้วด้วยการเปิดเผยและการประกาศอย่างชัดแจ้งเรื่องได้จบลงด้วยความหายยนะนาของผู้ละเมิดหญิงยศโศด้วยการจมน้ําตายในทะเลพร้อมกับบริวารและสมุนของเขาและด้วยความรอดพ้นของนักเผยแผ่ผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย บทได้เผยถึงสัญญาณต่า ง, างๆแห่งจักรวาลบางชนิดเป็นการยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอรรถและย้ำถึงความเป็นเอกภาพของพระองค์แก่บรรดาผู้ตั้งพาขี่ต่อพระองค์และปฏิเสธศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆของพระองค์บทจบลงด้วยการกล่าวถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้ละเมิดและยิงยโสและภาพลักษณ์แห่งการลงโทษซึ่งประสบแก่พวกเขา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 และบทยังถูกขนานนามว่าบทมุมินเพราะกล่าวถึงเรื่องของชายมุมินผู้ศรัทธาที่มาจากวงวานของเฟิรอังด้วยพระนามของลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ คำพีนิจได้ถูกประทานลงมาจากองพระผู้ทรงเดชานุภาพผูพ้ทรงรอบรู้ผู้ทรงอาภัยในความผิด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 ดังนั้นข้าจึงได้เอาโทษพวกเขาแล้วเป็นอย่างไรบ้างการลงโทษของขา้าและฉะนั้นแหละประกาศสิทธิแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้สมจริงแกบ่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเขาเป็นชานรกแน่ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء صبحمته وعلماء บรรดาผู้แบกบันลังและผู้ที่อยู่รอบรอบบันลังต่างก็แท่ซองด้วยการสรุดีสรรเสริญพระผู้อภิบาลของพวกเขาและศรัทธาต่อพระองและขอพย่โทษให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาโอ้พระผู้อภิบาลของเรา